อแต่ไม่ทางนี้ทางนั้นอหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ย้ําว่าเอาความตายมาขู่พวกเราเอาขู่แล้วขู่เล่าไม่ใช่เพียงแต่ชี้ประเด็นให้ดูเอถ้าว่าไม่ชี้ประเด็นให้ดูพวกเราจะลืมตัวได้ง่ายเหมือนกับลิงนเอลิงกระโดดหน้ากระโดดหลังหญิงเขี้ยวจะกัดคนบ้างเอแล้วก็เจ้าของก็จับไม้เกลียวมาเอาเคาะใส่กระดานปักปักปั ก, ป ก, ปกนะ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 ทำจิตให้สงบให้ทานรักษาศีลอย่างร้อยครั้งร้อยครั้งยังสู้นั่งภาวนาจิตส ง, สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ะอั น, นี้อั น, นี้สูงมากสำหรับผู้ที่ปฏิบัติม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะออพอให้พูดเอาทําคุณสร้างบุญสร้างกุศล น, นะพวกเราก็มาคิดถึงว่าโอ้หลวงพ่อมีแต่แนะนำอยากจะให้ทานนะเนี่ยตัวเองจะได้รับทานไม่ใช่